ธรรมเทสนาบหาจาตเวสสันดรจาดดฉบพิเศษจุดใจรวมธรรมกันตีสิบสองจิวว่าชกักคติตรวจจำพระครัดงเราสมนวนใหม่โดยป่ออินสมใจชมพูปริเรียนรรหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงาย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาริคุม b a r o p i โมตจารินตาสารติเรขันธาวรังนิสวา สาเปตวาจุนตาสารธาสหัสะเนียกตามักกาพิมุขาเนวาท่าปะเปตวาตาจะมิงปาเตสสิหาเพียงเก่ติปิคักกาติสุอรักษาสุสังวิตาหิตีอาทินังสัตโตมหะอโหสิ ลำดบาบธรรมวเตสนามาแต่เก้าส่วนว่าเจ้าจาลิสีญุวราชนำอามาตยธาและเสนาวนหนมู่เข้าไปสุหิมมาพานถึงสถานป่าไม้ที่จิมไกโบครณี อันงามดีพอแป่งมีสีแจงสะเมื่อกันเจ้าจอมควันนอไทยก็อฮือทับใหญ่นำนายังรอระไว้แล้วฮือหัวรถแก้วหมื่นสีฟันไา้พัดพันตั้งต่อเบนนารอตั้งมาฮือเร่งแตงดาอยู่เฝ้า เปลือบบอเหือเนื้อป่าเซาราวีกือราชะสีเสือคงเสือเล่องอันนนเลีองในป่าแร่จ้างลาไพโซนเสียงรีปนสาเซาสะดันดาวดงตันเสียงมาดันเีเห็นเสียงจ้างแซนเรือหูเสียงกุ้งธนูป่านฟ้าฟาดเสียงรถอาอาดยำเตี้ยว เด่นดงเขียวมีกองมีไข่ห้องหิมมา้านในสถานที่อยู่ในแก้วกูสาลาโกาะบีฮันเลนามหาสัตตอันว่าพระมหาสัต์เจ้าตนบุญใหญ่โนพระติวัยตาสาพนฟังเสียงโกละหุนอดเอาก่อคานิงเหล่าในใจ ว่ารอยคาซึกในหาเท้าคาป่อเต้าพิตาแล้วเข้ามาสู่ป่าเพื่อาพาคาตนกูนอซับปัญญูกิดแล้วก็จูงแขนานางแก้วมัดที่รีพ่านีบ่ออยู่ขึ้นไปสู่จอมรอยไปว่าวอยหิวหอจริงยังนั่งต่อตาดูวันนั้นแหละนา มะทังประกาศเซนโตสัทธา า, าสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนาวาเตสังสุตปานาีโคสังพิโตเวสันตโรอาหุดังนี้เป็นตน้น <c oughs> พิกเวดุราพิกโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาาติอันว่าผาัญญาเวสสันตรราชบุญมีบวชเป็นระสีอยู่สางในป่ากวางไพรสนยินเสียงโกละหนมีกองเกิดไข่หองดงไพรเต่าตกใจเดือกขานาดก็จูงแขนนางราชมาทีรีพะนีบวอยู่ขึ้นไปสู่จอมเขา ตนอง์เล่าผ่านแผ้วก็กล่าวซึ่งดังแก้วมัธทีว่าดุราสายสลีแห่งเจ้าปี่นังจุงพอทีสุตตาจุ้งเสนาหร้องเสียงมีกองดงไพรเสียงจ้างใจร้องแสนมาเต้นเล่นเต็มล้านหมูรถคานย้ายแพ่เต็มจูงแห่ดงไพรจอดตรงใจกัดแกว่งไข่จูแห่งอาณา ดังพลานปาลาบาบใบแวดวังไว้จูไปย Nh ังกว่างทารายในป่าเลวรับือกว่าตกกลุ่มเอาไขายกลุ่มแวดนากำห อ, อกท่าดาแตงเนื้อตัวแรงบอจังเต้นออกตายถูกห อ, อกข่มจ่าดังสองราพี่น้องจักตายบ่วงก้องคาักนี้แหละนา นางบัดที่น้อยนาดฟังโอกาสว่าตีแห่งหนอมูนี้ยดซอยนางพอคอยไปมาก็รู้ว่าเป็นโยธาเมืองเก่านางจริงลมเล่าเจียนจ้าว่ากาแดมหาราเจ้าตนเป็นปินเก่าเหนือหัวคอย่ากลัวเหลือขนาดคาสึกโบอาตราวี ยังตนบุญมีเจียงเจ้าฮือโศกเศร้าถึงตายเป็นดังใจพูดหนึ่งเราเอาเฟืองเขากำเดียวมัดเป็นเกี่ยวจิไฟใส่เผาน้ำไ่สะกอนน้ำบ่ร้อนจกร้อนบ่อลูกคอนเป็นเปียวเฟืองกำเดียวตกน้ำลวดหมดซ้ำหายตาอุปมาแต่ไทยไข่บอกไว้สันใด ข้าสึกในโลกลาบ่ออาจาราวียังตนบุญมีเจียงเจ้าฮือโศกเศร้าตายไปก็อุปปะาไมดังอันขอเจ้าปีจันผิจารณานยังคำคุณอินตาหยดยาวหากได้กล่าวไข่ปันว่าเจ้าหอจันตนพอ่อจักึ้ต่อคนิงหา เอาเสนามวลหมู่เข้ามาสู่พรสนาราธนาตนลูกเตาไปเป็นเจ้าเสวยเมืองยาสสเรื่องตัวนาบ่อนันจาหึงนานกำจากขานว่าไว้แห่งเตาไทยอินท้าข้อสามิกาพี่เจ้าจุงกึดเล่าตามมีแดดเตอ อันว่าพระมหาสัจเจ้าฟังกำนังนอนเน่ามัดที่ตัดเครื่องขี่ขาดแล้วก็ป้านางแก้วลงมาจากดอยภาไว้วงมานั่งอยู่ห้องศาลากอบิหันเลยนาะตรามทังประกาเศเซนโตสศรัทธาศราาัทธาสัพพัญญุตนเป็นครูแก่โลกหันอาภกบาลีบุตหลังมีไปแจ้ง พระจิงแสงเตสนาวาตโตวเวสันตารราจาดังนี้เป็นตนพิะเวดูราพิโกส่งตนทรงสินใสสะอาดอันว่าพญาเวิสันตาราชบุญเรืองกับนางเมืองยอดแก้วลงมาแล้วจากดอยผา ป้ากันมานั่งอยู่ในแก้วกุงอาสรมบ่อผารมผ่านยานบ่อสตานอันใดเต้าแปลงใจือมันนั่งอยู่หันกองตาง <c oughs> ส่วนเต้าบนขวางยศใหญ่เกือเต้าไทยสนใจจริงจะไขต้านต่อเสึงนางแก้วหน่อพุนสดีว่าดูราราชาตวีสลีอาข้าว เรสีเต่าองคานปู่ญ่ายลานมวลหมู่จักไปสู่สาลาแห่งราเจพุตธานยศใหญ่พ่อหน้าไข่ตีเดียวตุกเป็นเปียวอันใหญ่จักบูไม่เบิ่อมีความเครื่องขี่บ่น้อยเตียงจังหอยต่อยมาเห็ดนันนาปีจักไปก่อนนางจุงพอนตัวไป ธานั่นใส่ใจกำพ่าจุงไปตามยาไปลุนกวนจักเลนาพญาศลีสั่นใจเก่าวแล้วก็ลงจากคอจ้างแกวสัวงามเตียวไปตามตั้งไตจากสารใหญ่บุญจะลินไปหาสายภูมินโดกเต้าอันอยู่ดาวศาลาก็มีหันแลนา ธรรมาทาังประกาศเส้นโตศรัทธ า, าหาศรัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาดทอยบาลีบทหลังมีไปแจง้งพระจริงแสงเตสนาวานีวตาณิตว า, าาาตวานารถทงวุทธาเปตานาเสนิยโยดังนี้เป็นตน้น พิกาเวดุราพิกุตังหลายอันเป็นสายอริยญาจเจ้ักพาธทรงยานส่วนเต้าผู้บาลยดยดมาจากดาวแดนไก่คือเต้าสันใจตนป่อคืดใจต่อบุตตาเข้าไปหาลูกแก้วได้หันแล้วลวดจมบ้านส่วนสององคานคัดติญาจาิคือพญาวิสันตรราชบุญมี และนางมัทีีดอดาหันเท้ า, จาเจ้าเสด็จมาก็รีบลีลาฝังเฝ้าไปรับปูเต้าองค์คำแล้วและนำมาสู่ยังที่อยู่อาสลม <c oughs> แล้วถ้าไายบางคมมาพิว่าแต่พระบาทเต้าผู้มีส่วนรัชมัทธีหยอดซอยก็เกาถอยกำไห่ว่าคาใสาใจสะไปขอไวพระบาทให้ปิตาบัดนี้และนา สว่วนปัญญาสันใจผู้เท่ากกอดลูกเต่าตั้งสองทุกขีมองบ่โน่นน้ำตาย้อยล้ำไหลพ า, ายมือไปลูกเนื้อด้วยใจอ่วงเอื้อขุนนาจักามขี้าลูกเต่ า, ตาจิงตนเล่ากะทาวากันจิโวกู้สลังดังนี้เป็นตน้น ว่าดูราลูกรักหนอใส่ใจเจ้ามาอยู่ด้งไพรป่ากวางปัเพลงส่างป่าระบียังอยู่ดีบอกขาดบ่มีผาญาตมาเบียนเจรือสองสายใจลูกเต้าอยู่ป่าเสาด้งตันเลี้ยงชีวิตด้วยหัวมันลูกไม่ยังหาได้พอฉันเจรือ อันหนึ่งเหลือบยุ้งบ่อมาตอมไตงูน้อยใหญ่บ่อมาระวีราชสีเสือคงมีจู่ลงดงดอนบ่อมานอนไขอยควางตีจิมข้างอารามสอดไรตามในป่าเขาบ่อลามาเบียนจะรือเหมือนนั่นพระมหาสัจเจ้า จิงตานเล่ากำไปว่าที่โนจีวิกาเตวะดังนี้เป็นเก่าว่าข้าแด่เจ้าปิตาข้าสองข้าปีน้องอยู่เถื่อนทองดงตันจุมหัวมันลูกไม่ยังหาใดป๋อกินเหลือบยุงบินลายซำงูใหญ่น้อยพัยังมี สดัดดงรีตัว้ร่บ่อตองภายมาเบียนแลนะนาคาแด่พ่อพราหยาเป็นเจ้าค่าลูกเต่าทั้งสองได้ขี่มองตกอยากย้อนได้ภาคสมบัติตมมานัดมาตองสอนคาน้องทั้งสองได้หันกองแจ้งส่องคือรู้จ่องตั้งดีดังสารถีทวนนาสอนเฮือมาตามกรรม ตุกนาดำหล่แล่ือตุกบอ่อได้หันป่อแม่ทั้งสองนี้และนาเอวันจ่าปาาวัตกานพระมาหาสัจเจ้ากาวดังนี้แล้วอันจักทมหาลูกแก้วสองสี จิงไรว่าตีโอกาสออกเป็นบาทกถาวาเยปิเตศีวิเศษทัดสะดังนี้เป็นตนว่าคาแดกพระพิตตาเป็นเจ้าอันว่านอน่อ า, าสองสตรีคือเจ้าเจรลีงามตีนจ้อยและนางน่อนน้อยกันหาแม่นเป็นลานาญาพญ่อไทย <c oughs> วันจากได้เสืบบงสาเป็นท่าญ้าผาดาวนั่งแต่นเต่าสวยร่มไปตันสมโอกาสข้าผาสาตันไปแก่พรามเข็นใจผู้เท่าพรามหลากสองเจ้านําไปตีหลังไสจําแล่นดังใจน้อยแว่นตีงัวป้อจอมหัวยังจากรู้ว่าซองขาอยู่แดนใด ขอรีบไขบอกกล่าวฮือรูข่าวเร็วปันขอจอมขันพ่อเจ้าตนเป็นเก้าพระเจ้าเป็นดังหมอยาฟูองอาจรู้ฉลาดวางยาฮือมานาวานุ่มนาอันงวเห่าโจกตนฮือปิดหายห่นเสียงขาดได้ป้นบาทตั้งตายบัดนีด้แดตอ เมื่อนั้นพระยาสันใจยอดซอยจริงเก่าถอยกถาว่าเอิเตกุมรารนิกิตาดังนี้เป็นเก้าว่าดูราเจ้าลุกรักแก่ป่อเป็นเจ้าหนอกินเมืองอันว่าสองบุญเรืองลูกไทยป่อได้ไทยไว้เป็นไต่ป่นวิสัยพรามเทา บัดนีเจ้าสองตัวมาขอสายตาลูกพ่อจุงหายใจหมอยินดีแด่เตอเมื่อนั่นพระมหาสัจเจ้าตนผ่านแผ้วได้ฟังแล้วลวกจมบ้านจักถามพระองคาตนตนพ่อจริงต้านต่อกถา ว่ากัจเจโนตตาตาโกสลังดังนี้เป็นเก้าว่ากแาดดพ่อพญาเป็นเจ้าอันว่าโรกาลายแลบ่อมาแพ่ถึงตนโตกังวลขิ่งคองบ่อมาต้องหอราไทยหื้อหัวใจพ่อเจ้าได้โศกเศร้าเครื่องกาอันว่าดวงตาแม่เจ้าเหมือนดังเก่าเดิมอ่อนเจรือ เมื่อนั่นพญาสันใจยดเหงาจริงตานเก่าวกำไปว่าดูราใส่ใจลูกพ่อเพยธิบอกก็มีมาในกาญยาปลอดไทยบ่เมืวยไข่หนาวในความเคืองใจใหญ่น้อยบ่จังหอยมาปานตาหนงคานแม่เจ้ายั้งเหมือนเก่าเดิมอ่อนและน่า พระมหาสั์เจ้าจิงตานเล่ากำไปว่าข้าแด ب, พระจอมไทยพ่อเจ้าตนเป็นปินเก่าเฉียงขานอันวาวนานยุ่งยานรถราจ้จางมาอาดทองถมเจ้าดนีกมบันออกตกดาวขอกอาณนาะบ่อมีโรกามาใครบ่รอนไหมาตาลนยังมีฝนบ่ขาดเขากะอ า, าดกรรมดีจรือ อนยาสันใจตนป่อจริงต้านต่อกำจาวาดูราลูกสายตารักป่อเป็นเช้่หอนอสีพีรถยังมีหลายซ้ำบ่ลูกคำเสียหายจังปังป้ายตัวใหญ่มาแก้วใสอ่านคำยังมีนำทวนที่ือป่อขี่เตียวไฟจุ่มไผ่ไตสุขมาเขาของหากลายเหลือ <c oughs> ฝนตกเจือดังเก่าวไรนาเขาจืนบันดีและนายหวังสันลาปันเตสุกันเต้าตั้งสามพ่อลูกตาถอยถูกกำกันมีใจมันจืนสูดในแก้วกูสาราดังพญายศใหญ่คือดังไทยพุทธสดีราชติวีผู้แม่ก่อขะนิ่งแพรในใจ ว่าบัดนี้สามจอมไต้แลลูกเต้าความโศกเศร้าเตียงเบาบางกวนกูนางไปสู่ยังที่อยู่บุตตานางพระยาเกิดแล้วก็กอดแก้วเตียวไปกับนางในมวลหมู่เข้าไปสู่อาสรมก็บมีหันและนา ตาวัดทางประกาศเซนโต้ศรัทธาศรัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาดถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสน า, าวอิจเจวังมันตะยันตานังดังนี้เป็นตนพิงาะเวดูรา พี่โกตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาเชเ่อนักพาทรุงยานเบื่อสามผู้บ้านป้าลูกพงตนันถอยถูกไปมานางภาญาผู้แม่ฮักลูกแก่เลือใจก็บป้าดังในมวนหมูเข้าไปสู่ศาลาแห่งบุตธาดอแนา ส่วนโปทีสัตวเจ้าบุญมีหันแม่เตวีมาสู่ใจจืนสู่เลือลายเล่นพันภายไปไกลแล้วขาไปอันจุรี <c oughs> ปันนางมาที่สีส่สะใปก็เล่นไปไว้ข้าวันตาแล้วก็จะต้านเกา ว, ว่าข้าแด่แม่เต้าหนึ่งหัวอันว่าตัวลูกเต้าขอขาบเก่าวันตาบัดนี้และนา เมื่อพระบาหาสัจเจ้ากับนางนอนเน่ามาที่ไวน้นางพุทธดีแม่แก้วนั่งอยู่แล้วสันดีย้มนั่นเจ้าจะรีน้อยนาทและนางแก้วอาจกันหาหู <c oughs> สภ า, าบ่อน้อยงามจื่นจ้อยเจียงคานกอปาปาปริวานไปสู่ที่แก้วกูศาลาสวนนงางพญานอนเ now งามบ่เศราดมัดที หันสองสาลีมาไกลก็ร้องให้ไปหาใจเวว้าลายแลาสายตาแพ่ฟังมัวดังแมงหัวลูกน้อยใจขิงคอยอะไรเล่นเร็วไว้ไปตอนอยังลูกน้อยอ่อนแห่งตนนั้นและดา ส่วนสองกุ้มานงามแง่ได้หันแม่มหาสมานัจจะมาเต้าก่อแล่นเข้าไปจูก็มีหันแลยนะนางมัดที่ยอดซอยงามบ่อน้อยเทียพสาวสะวันกันได้หันดูเต้าตุ๊กโศกเศร้าดวงลายอุ้มเอาสองบุญภัยไว้แล้ว ตนนางแก้วล um. ุ่วัดยุบเต้าตั้งจันทร์ส่วนสองจำควันงำแง่หันเต้าแม่สยกตายสงยิงใจพี่น้องตุกโศกต้องไลเรือกอสยบเต้าเรืออกแม่ตอดตนแพติงตายก็มิแลนา ย่อมนั่นนำนมนางแม่เจ้าคือนางน่อเนามัดที่บังเกิดมีหลายแหล่น้อยออกแผ่ลำไหลแล้วเข้าไปในปากแข่งซองบุญมากบุตตาเพื่อสบากัดก้อยเพื่อจืนจ้อยในใจพี่วัดนำนมบ่ไหลเข้าปากซองเจ้าหากถึงตายบ่อยาจะแล่นา เมื่อนันโปทีสัตเจ้าตนบุญใหญ่คือเต้าไทยเวสันดรนฮอนโลกเมื่อมอนสัญยบเต้าแล้วเต้าตนแก้วบวธารงตนอยู่ใดก็เล่นเข้าไปไกลสัญยไปส่วนเต้าสนใจที่ราดกับนางนาฏพุทธดี ก็มีกาญาอินทีอันสันใจไววันเว่ยว่าก่อแหลนเข้าไปหาสยญบเต้าวตั้งหกต้าเต้ากองกันตั้งนั้งกำนันอยู่ไกลตั้งน้อยใหญ่สารโไปบ่มีไผจักรอดอยู่ใดสยญตายไขเมือขอนเต็มดงโดนป่าไป ดังลมใหญ่มักลับมาปัดจับป่าใหญ่ดาวป่าไหม้ดงรังเไปฟังปนกานบ่อเว้นดานแดนไดนั่นแหละนายามนั่นโก้ลาหุ่นเกิดกองคือแผ่นดินรองดอยคอน้ำสากรกุ้งฟังยิ่งกัดกังปูนกัวป้อนังหัวหยึกยาว เกิดคว่าดาวดงดาซีเนรุปัมปะตาเดอกน้อมอ้วนอ่อนก้อมกดไควแผ่นดินไหววาวว่าใจาฟ้าฟาธรณีโกละหุนมีเกิดกองขึ้นรอด้องมหาพรหมก็มีหันและนายอมนั่นคุณอินตาเจ้าฟ้ากมพอดาหิ่งดูยังจุมปูหลอกใจก่อหันเต้าบนให ญ, ญ่หกตนตั้งรีผลไผ่ฟา พร้อมทนลาสยบตายไปบ่มีคนใดเอาน้ำมาหล่อหื้อหายใจหม่อขึ้นมากวนกูอินตาสงอยหื้อฝนหลงสู่ดงดานหื้อเต้าผู้บ้านเจ้าผัวกำตั้งหมูรีปนรู้กิ่งตนดังเก่าปิกฟื้นเหล่าขึ้นมากันคุณอินตากึดแล้ว ก็วางหาฝนแก้วโบคาระพัดวิเศษลงในเขตดงดอนตีพระผู้ทอนหกเต้าสายบเต่ามาราณากับเสนาเสียงไขวาเป็นฝนหาใหญ่นำคนได้ไข่จุ่มไข่ห้ำดังอันฝนอันนั่นจริงข้างอยู่ในตนบ่อหายห่นก้อยกาดบ่อรู้ขาดนีหาย ส่วนคนได้บอไข่จุ๋มไข่ห้ำดังอันฝนอันนั่นก็กิ้งตกหายเหมือนน้ำพายตกผ่ากิ้งตกจากใบบัวนั่นแหละนาเมื่อนั่นตาวตั้งหกตนกับริปลหกหมืนดวงใดสาติจืนสนตสดีเจ้าสี่ปีมวนมากจูผู้หากัดสัจจันเข้าจากกันสาว นั่นตัวดาวเป็นสายว่าดูงราเจ้าราตั้งหลายเฮยมือนหมูอันมาอยู่กลางดงบัดนี้ฝนตกลงในเขตตีเต้าตนวิเศษสร้างปรามีเจ้าปุรีหกเต้ามาสู่ดาวจอมกันแผ่นดินนั้นไวววันฟ้าร้องลันปูนกัวแต้เละนา อามทังปะกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพญูยอดซอยหันบาดทอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสานาวาสามะกะตานังยะตินังดังนี้เป็นตน้น <c oughs> เอกเวดุราภิคุส่งตนทารงสินใสสะอาสวนเต้าที่ราดหกตนกับรีปนไ่ฟ้าพ่อทวนนาหมูโยธาจุ่มหนุ่มม้มวนหมู่พ้อนาโยจอมกันอัศจรรย์ลายแหล่เกิดขึ้นแพตันตาคือแผ่นดินนาวัยวันดอยดงหลันเฟือนคอน น้ำสากนปุงเปืือเกิดเหยื่อเงโกละหุนเทวาดาตนสักสวัดวางหาฝนหยาดลงมายามพญาเวิสันตรร่าจุ่มนมอามาเสนาตั้งญาติกาพีน้องในแห่งห้องหิมมาปานก็มีหันและนา อนว่าพญยาหกตนยดใหญ่ยยอยู่ป่าไม่หนองไผือเต้าสันใจตนเือดแล้วและนั่งนอกแก้วพุทศดีพระเจาเตวีแม่ไทยและนอพระติวัยเวสันตราจานาังอา ก, กาจาญาหนอนเนางามบ่อสาวราจามัที และสองสีน้อยนาจานี้อาจกันหาจุมลุมมาพบนาอยู่ดงไฟตัดยามใดดังอันกาลยามนั้นเติงนั้นนาจ่าจันมีหลายลาเกิดขึ้นมากนานาก็มีหันและนาเมื่อนั้นพญาสีสันใจเป็นเก้าตั้งยุ่มเท่าโย่เท่ากันมาแวดไก่ นบคำไว้ขอราธานายังพระมหาศัตว์เจ้ากับนางนอเนามัททีว่าคาแดพระผู้มีหนดใหญ่อย่าเกิดไขยกำลังอย่าได้จังตุคาอันกมนามหาจุงคุณนะภายโพดงดเวนโตดวังตั้ขอสององค์คำปิ่นเก่า ลาเป็ดเจ้าราศีปงเครื่องจีลาไว้ลาป่าไมดงด้านลาหิมมาปานป่ากว้างไปเป็นเจ้าจังเสวยเมืองเฮรุ่งเรืองไปนาแก่ภายฟ้าพระจ้าแดดเตอ จุมเจ้าเมืองอามาเจนอาจโยธาขอรา ธ, ธานาใจใจเยาะร้องให้ก่อนเยาะรา ธ, ธานาก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้แหละนะชาคติญาปปังนิทิตังขีญาสังวันนาวิเศษเจ้าห้องเหตุชาคติอันผาดับาดาด้วยกาถาวา่าใด สามสิบหงกระถาก่อบังกลมสมรฤตเสร็จแล้วตอานี้ก่อนแล้